ก็ความในก็ความในจริยาปิดกต่อจากครั้งที่แล้วครั e, ้งที่แล้วได้พูดถึงบารมีมาหลายข้อโดยเฉพาะเนคขมมะบารมีเป็นหลักนะนี่ก็คือได้กล่าวเรื่องราวที่มีเรื่องประกอบนะ้อความที่เป็นความประพฤติของพระโพธิสัตว์ที่พระองค์ประพฤติเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญเนคขมมะแล้วก็ความที่พระองค์เป็นผู้มีปัญญาทีนี้วิริยะวิริยะก็ตามสมควรแก่เรื่องราวที่ได้กล่าวไปแล้วส่วนที่จะกล่าวต่อไปคือสัจจะนะนะเพราะว่าการเรียงเนื้อหาในในสูตรนั้นไม่ได้ยกตามบารมีตามลำดับ แต่ว่ากล่าวตามลำดับแห่งเรื่องราวที่มาเรียบเรียงเอาไว้ข้อความในกปลิลราชจริยานา464ข้อ27พระผู้มีพระภาคตรัสเล่าให้ท่านพระสารีบุทฟังว่าในการเมื่อเราเป็นพระยาวานอนอยู่ณซอกเขาใกล้ฝั่งแม่น้ำ ในการนั้นเราถูกจระเข้เบียดเบียนไปไม่ได้จึงยืนอยู่ณโอกาสใดกระโดดไปกระโดดจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งโน้นจระเข้มันเป็นสัตว์ดูร้ายแสดงความน่ากลัวอยู่ณโอกาสนั้นจระเข้นั้นก็ได้กล่าวกับเราว่ามาเถิดแม้เราก็กล่าวกับจระเข้นั้นว่าเราจะมาเรากระโดดลงเหยียบศีรษะจระเข้เนั้นแล้วกระโดดไปยืนอยู่บนฝั่งโน้น เราไม่ได้ทาตามคาของจระเข้ที่กล่าวหลอกลวงนั้นหาไม่ไดนน้ก็คือกล่าวนี้กล่าวตามเป็นจริงไม่ได้กล่าวตามความประสงค์ของผู้หลอกลวงผู้เสมอด้วยคำสัตย์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราในชาดกหรือในจริยานี้เน้นสัจจะบารมีซึ่งต่อๆไปก็เน้นสัจจะบารมีเป็นหลัก ถามว่าสัจจะบารมีนั้นเน้นสัจจะไหนสัจจะตรงนี้เน้นวจีสัจจะเน้นคําพูดที่เป็นคําสัต์คําจริ่งคําสัต์คําจริงนั้นถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวาจาสัจเนี่ยนะเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะตรัสพระพุทธพจน์ใดพระพุทธพจน์นั้นมีแต่จริงมีแต่แท้ มีแต่ความไม่เปลี่ยนแปลงพระพุทธพจน์นั้นไม่มีใครคัดค้านได้ตามตามอัฏฐะที่เป็นจริงตามเนื้อความที่เป็นจริงเพราะนั้นกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าผู้ตรัสคําสัต์คําจริงได้นั้นจะต้องบําเพ็ญบารมีด้วยการพูดคําจริงมาก่อนฝึกพูดคําสั์คําจริงมาตลอดนะฝึกพูดวจีสัจจะในเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆก็พูดแต่ความจริงการที่พระองค์นั้นฝึก พูดความจริงเจริญบุญกุศลด้วยการพูดแต่ความจริงการพูดความจริงเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเอาคำพูดที่จริงนี่แหละมาประกาศอริยสัจที่จริงแท้อริยสัจนั้นเป็นของจริงเป็นของแท้เป็นของที่ไม่แปรผันเป็นของที่ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นของที่ทําบุคคลปุตุชนทั่วไปให้ตรัสรู้เป็นอริยะนั้นเป็นความจริงแท้ที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นความจริงที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ผู้ที่จะมีความรู้ความสามารถในการกล่าวอริยสัจคือความจริงที่จริงแท้เหล่านี้ได้คนนั้นจะต้องฝึกคําพูดที่เป็นคําสัต์คําจริงดํารงอยู่ในคําสัต์คําจริงการที่ดํารงอยู่ในคําสัต์ของความจริงเนี่ย ที่พระองค์บำเพ็ญมาตลอดกาลนานพระพุทธเจ้านั้นผู้ประกาศความจริงพระองค์จึงเป็นบุคคลที่คนทั้งหลายเชื่อถือเป็นผู้ที่มีพระวาจาควรแก่การเชื่อถือเมื่อพระองค์นี้เป็นมีมีพระวาจาควรแก่การเชื่อถือพระพุทธเจ้าก็แสดงสิ่งที่ควรเชื่ออย่างยิ่งด้วยความจริงอันนั้นก็คืออริยสัจแล้วก็โดยเฉพาะอริยสัจที่เป็นมรรคอริยสัจที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความ ผลทุกข์ปันจากจริยาต่อไปที่เราจะศึกษานั้นจึงเน้นให้เห็นสัจจะบารมีพูดถึงกปิลราชจริยาเนี่ยนะเรียกว่าราชาแห่งหมูลิงกปิละกปินก็คือลิงเรียกว่าราชาแห่งหมูลิงขนาดพระโพธิสัตว์ของเรานะกลับนี้พระองค์ก็ยังเกิดเป็นลิงเลยก็ทาให้คิดเหมือนกันนะเออของเราล่ะ ถ้าไม่เห็นอริยสัจเราจะพ้นหรือกิริยาหลายๆเรื่องมันประกาศว่ายังมีเชื้ออยู่เหมือนนพระองค์เล่าว่าเมื่อการเราเนี่ยเกิดในกําเนิดวานอนอาศัยความเจริญได้เป็นพระยาวานอนมีกําลังดุดช้างสารสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงมีร่างกายใหญ่ประมาณเท่าลูกมา้าแปลว่าเป็นช้างพันอ่าเข้าไปเป็นลิงตัวใหญ่มากและก็แข็งแรง ได้ยินว่าในการนั้นพระโพธิสัตว์ไม่ได้ดูแลฝูงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวแสดงว่า โ, โหเห็นความน่าเบื่อของฝูงเลยนะถ้ามีลิงให้ปกครองลิงสักยี่อะไรนะสักฝูงใหญ่ๆเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นหัวหน้านี้เลยเหม น, นก็นะท่ามกลางแม่น้ํานั้นมีอยู่มีเกาะ อ, อยู่เกาะหนึ่งเป็นเกาะที่สมบูรณ์ด้วยผลไม้มีผลขนุนผลมะม่วงเป็นต้นหลายๆอย่าง นนะปกติแม่น้ำถ้าเป็นแม่น้ำสายใหญ่ๆนี่จะมีเกาะกลางน้ำนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะถือเป็นเรื่องธรรมดาเกาะกลางน้ำบางแห่งเนี่ยใหญ่80ไร่ก็มี200รยไร่ก็มีใหญ่า ม, า ม, ยายมากพนธณนะบนเกาะแห่งนั้นก็มีสมบูรณ์ไปด้วยพลาพนมีต้นขนุนมะม่วงเป็นต้นเนี่ยนะพระโพธิสัตว์นี้เพราะสมบูรณ์ด้วยกําลังความเร็วกระโดดจากฝั่งนี้ของแม่น้าไปถึงแผ่นหิน แผ่นหนึ่งซึ่งมีอยู่ท่ามกลางเกาะและแม่น้ากระโดดจากแผ่นหินนั้นไปถึงเกาะนั้นพระยาวานอนอนั้นเคี้ยวกินพลาผลเลยล่ะอย่างอยู่ณเกาะนั้นตอนเย็นก็กลับโดยวิธีนั้นอยู่นั่นเองอยู่ในที่อยู่ของตนรุ่งขึ้นก็ทำอย่างนั้นอีกสำเร็จการอยู่โดยทานองนี้นะก็มีต้นไม้เป็นที่พำนักะนะจะต้องข้ามฟากทุกวันเพื่อไปเก็บกินผลไม้ ในกาลรครั้งนั้นมีจร์เข้ตัวหนึ่งแล้วก็พร้อมด้วยนางจร์เข้อาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ํานั้นนางจรเ์เข้เมียของจอร์เข้นั้นเห็นพระโพธิสัตว์ไปไปมามาอยู่ก็เกิดแพท้องจริงอนะแพท้องจริงๆนะสู้ท้องไม่ไหวหิวมากนะก็เลยอยากกินเนื้อหัวใจของพระโพธิสัตว์ก็บอกกับจระเฆผู้เป็นผัวว่านายจา๋าฉันแพ้ท้องอยากจะกินเนื้อหัวใจลิงนั้นจร์เข้ก็กล่าวว่าได้สิ แล้วก็ไปด้วยหวังว่าเราจะจับพญาลิงนั้นซึ่งกลับจากเกาะในตอนเย็นจึงอยู่บนหลังแผ่นหินพระโพธิสัตว์นี้เที่ยวหาอาหารตลอดวันในตอนเย็นก็ได้ยืนอยู่บนเกาะนั่นเองมองดูแผ่นหินก็คิดว่าแผ่นหินแผ่นนี้บัดนี้ปรากฏสูงกว่าเดิมน่าจะมีเหตุอะไรหนาเพราะพระโพธิสัตว์นั้นสังเกตปริมาณของน้าและปริมาณของแผ่นหินเอาไว้เป็นอย่างดี คือเป็นคนช่างสังเกตมากถ้าเกิดอะไรผิดปกติแม่นิดหน่อยก็รู้ได้เลยด้วยเหตุนั้นพระโพธิสัตว์จึงคิดว่าวันนี้น้ำของแม่น้ำก็ยังไม่ลดแต่ทำไมแผ่นหินแผ่นนี้จึงปรากฏใหญ่มากนะทั้งใหญ่ทั้งเด่นสูงขึ้นคงจะเป็นพระเจ้าจราเข้นอนไม้จะจับเราณนะที่นั้นเป็นแน่พยาวนนอนก็เลยคิดว่าจะทดลองจระเข้นั้นก่อนเพราะมันยืนอยู่ไกลลิบนะมองสังเกตได้ไม่ชัด แต่รู้ว่าปกผิดปกติจึงยืนยืยนอยู่อย่างนั้นทําเป็นพูดกับแผ่นหินก็เลยพูดว่าเฮ้ยเจ้าหินก็ไม่ได้รับคําตอบว่าเฮ้ยเจ้าหินหินก็ไม่พูดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแกล้งถามไปเฮ้ยหินอย่างนั้นพระโู ธ, ธิสตร์ก็บอกเฮ้ยเจ้าหินทําไมวันนี้ไม่ให้คําตอบแก่เราเอ๊ะ e ทาไมวันนี้ไม่พูดกับเราเลยนะหินจระเคก็เลยคิดว่าวันอื่นๆ น, นี่หินคงจะให้คําตอบแก่พระยาวานอนเป็นแน่แต่ว่าวันนี้ หินไม่ให้คําตอบเพราะเราครอบเอาไว้หินเลยไม่กล้าอ้าปากพูดเหมือนกันเอาเถอะเราจะให้คําตอบแก่พยาวานนรก็เลยบอกว่าว่าอย่างไร้ายพยาวานนลิงก็เลยถามว่าเจ้าเป็นใครตอบตามจริงว่าเราเป็นจระเข้ถามว่าเจ้ามานอนในที่นี้เพื่ออะไรอบอกตามตรงว่าต้องการหัวใจของท่านนั่นแหละพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเราไม่มีทางอื่นจะไปเพราะว่าทางไปของเราก็ถูกปิดเสียแล้วดังที่พระองค์ตรัสเล่า ว, ว่า เราถูกจระเข้เบียดเบียนไปไม่ได้เรายืนอยู่ณโอกาสใดโดดจากฝั่งนี้ไปยังฝั่งโน้นจระเข้มันเป็นสัตว์ดุร้ายแสดงความน่ากลัวอยู่ณโอกาสนั้นนะถือว่าจระเข้เป็นตัวที่ดุร้ายเป็นฆาตกรเป็นศัตรูแสดงความหยาบคายร้ายกาดเห็นแล้วก็น่ากลัวมันอยู่บนหลังแผ่นหินนั้นแหละครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าเราไม่มีทางอื่นจะไปวันนี้เราจะลวงจระเข้เนะนะ จะไปได้ก็ใช้เทคนิคนิดหน่อยเหมือนั้นเราจะเปลื้องจระเข้จากบาปใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้และเราก็จะได้ชีวิตช่วยให้จรเข้ไม่ต้องทำบาปและเราเองก็จะรักษาชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็เลยกล่าวกับจระเข้ว่าจรเข้สหายเรานี้จะกระโดดไปบนตัวท่านานะบอกความจริงเลยจรเข้ก็บอกว่าพยาวานอนท่านอย่ามัวชักช้าเชิญมาข้างนี้สิรีบโดดมาเลยเหมนนพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเรากาลังมา แต่ว่าท่านจงอ้าปากของท่านเอาไว้แล้วจับเราตอนที่ท่านตอนที่เรามาหาท่านอ้าปากไว้เลยนะอ้าปากรอเลยนะที่จริงจระเข้ไม่รู้ตัวเรากว่าเวลาอ้าปากเนี่ยตามก็ต้องหลับมันนะใช่ไหมอ้าปากปั๊บก็เท่ากับหลับตาโดยธรรมชาติจระเข้นั้นไม่ได้กำหนดเหตุการณ์นั้นก็เลยอ้าปากตาของจระเข้ก็หลับจระเข้อ้าปากนอนไม่ลืมตา พระพ ธ, ธิสัตว์รู้ว่านี่เป็นความจริงของจอระเข้นั้นอ่ะก็เลยกระโดดจากเกาะไปเหยียบบนหัวจระเข้แล้วก็กระโดดจากนั้นไปยืนอยู่บนฝั่งโน้นดุดสายฟ้าแ ล, ลบแผบเหมือนกันเรียบร้อยที่ที่จระเข้บอกว่าจระเข้กล่าวว่าจงมาแม่เราก็กล่าวกับจระเข้นั้นว่าเราจะมาเราโดดลงเหยียบหัวจระเข้นั้นแล้วก็โดดไปยืนอยู่ที่ฝั่งโน้อนอันหนึ่งเกาะนั้นน่ารื่นรมประดับด้วยแนวต้นไม้มีผลมะม่วงว่า ต้นขนุนเป็นต้นเหมาะที่จะเป็นที่อยู่แม้พระโพธิสัตว์นั้นรักษาคำสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยคืนนั้นท่านจะค้างคืนอยู่ในเกาะก็ได้ท่านไม่ต้องออกไปก็ได้แต่ท่านาพระโพธิสัตว์รักษาคำสัตว์เพราะได้ให้ปฏิญญาไว้ว่าเราจะมาก็ได้กระทำอย่างนั้นว่าเราจากมาแน่นอนดังที่พระองค์ตรัสว่าเราไม่ได้ทำตามคาของจระเข้ที่กล่าวหลอกลวงนั้นหาไม่ได้ เพราะรักษาคำสัต์นี้เราได้สละชีวิตของตนแล้วทำเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้เสมอด้วยคำสัตว์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบา ร, รมีของเราะนะรู้นะว่าถ้ากระโดดพลาดก็ตายอย่างเดียวแต่รักษาคำสัตว์เนี่ยนะรักษาคำสัตว์เชื่อมั่นในความสามารถของตนจอร์เข้เห็นความอัศจรรย์ดังนั้นก็คิดว่าพยาวาน น, นี้ทําอัศจรรย์ยิ่งนักจึงกล่าวว่า พระยาวานอนผู้เจริญบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่อย่างในโลกนี้ย่อมครอบงำศัตรูได้ธรรมะทั้งสี่ประการนี้มีอยู่ในตัวท่านท่านพรยาวานอนธรรมะสี่อย่างเหล่านี้คือสัจจะธรรมะติจากขะมีอยู่แก่ผู้ใดเหมือนอย่างท่านผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูได้คนที่จะพ้นจากศัตรูได้เนี่ยต้องมีคุณธรรมสประการอยู่ในตัว หมีสัจจะสองมีธรรมะสมทิติ4จาระเนี่ยนะ4ประการนี้สําคัญมากไม่ใช่ตัวอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะรอดจะต้องมีทั้ง4ประการข้อแรกมีวจีสัจจะจะต้องมีคําพูดที่เป็นคําสัตย์คําจริงจะต้องเป็นคนที่พูดจริง น, นะถ้าเป็นคนที่พูดไม่จริงเนี่ยนะเอาตัวไม่รอดหรอกเพรผลเหตุผลหนึ่งที่จะทําให้เอาตัวรอดล่วงพ้นจากศัตรูได้ก็คือวจีสัจจะ ที่สธรรมะธรรมะในที่นี้เป็นชื่อของปัญญาทราบว่าธรรมะนี้เป็นชื่อของปัญญาธรรมะคืออะไรคือวิจารณญาณแปลว่าปัญญาที่ไตร่ตรองปัญญาที่ไตร่ตรองว่าเมื่อเราทําอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้เมื่อทําเหตุเช่นนี้ผลแบบนี้จะออกมาเป็นต้นอันนั้นแหละเรียกว่าปัญญาปัญญานั้นหมายถึงวิจารณปัญญาข้อแรกนะวจีสัจจะข้อสองมีวิจารณปัญญาไตรตรอง 3. ทิติได้แก่ความเพียรที่ไม่ขาดทิตินี่โดยศัพทแปลว่าตั้งมั่นหรือมั่นคงไอ้มั่นคงหรือตั้งมั่นอันนี้หมายถึงความเพียรนะจาจกะการบริจาคคือการกล้าสละได้ความเสียสละนั่นแหละ ทวนอี ก, กนึงนะต้องเป็นคนที่มีคำสัตย์คำจริงคนที่ดำรงอยู่ในคำสัตย์คำจริงจะต้องมีวิจารณญาณผู้ที่มีคำสัตย์คำจริงมีวิจารณญาณจะต้องมีความเพียรที่ไม่ขาดสายแล้วกล้าสเสียสละเนี่ยนะอะไรพอสละได้ก็ต้องสละไม่ใช่ว่ารักษาไปทุกเรื่องไปหมดไม่ใช่สละได้ก็ต้องสละอันนั้นเรียกว่าจากะถ้ามีคุณธรรม4ประการนี้บุคคลนั้นก้าวล่วงหรือครอบงำศัตรู ของตนเหมือนท่านพ้นจากตัวเราในวันนี้ลิงนี่ก็ไม่ง้อเออขอไปจระเข้นี่ไม่ง้อนะจระเข้นี่ถ้าจะกล่าวไปแล้วก็ฉลาดมากนะรู้ว่ารู้คุณธรรมรู้ความสามารถของลิงว่าลิงเนี่ยรอตายเพราะอะไรเพราะมีสัจจะมีธรรมะมีทิติและจากคะมีสัจจะคือพูดจริงมีธรรมะคือมีวิจารณญาณมีทิติคือความเพียรที่บากบันและมั่นคงจากคะคือบริจาคคือการสละตนเนี่ยนะเสียสละออกไปได้ นนะจระเข้ก็สรรเสริญพระโพธิสัตว์แล้วก็ไม่รู้ว่าไปกล่าวบอกพระญาว่ายังไงนะฮะ ห, หัวใจให้ไม่ได้ก็ต้องอดไปก็แล้วกันครั้งนั้นจระเข้คือพระเทวทัตจระเข้ตัวเมียก็คือนางจินจะมานวิกาพยาวานอนคือโลกกนาตเนี่ยนยคุณธรรมของกปปิลราชพยาลิงมีอะไรบ้าง การรู้ว่าจระเข้นอนบนแผ่นหินด้วยสังเกตรปริมาณของน้ำและของหินด้วยกำหนดเอาว่าบัตรนี้ปรากฏหินสูงเกินไปอันนี้ก็เป็นเป็นปัญญาใช่ไหมเป็นปัญญาว่าสามารถที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรการตัดสินเนื้อความนั้นโดยอ้างว่าเคยพูดกับหินเอ้ยหินวันนี้ทาไมไม่พูดล่ะนะ เขาไม่ได้พูดมูสานะคำพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้บอกว่าวันก่อนเคยพูดมาไม่ได้พูดอา้าววันนี้ทำไมท่านไม่พูดกับเราละ่ะหินอันนี้ก็เป็นไม่ใช่คำพูดที่เป็นมูสาด้วยไอ้คำว่ามูสาเนี่ยคืออะไรมูสาก็คือไม่จริงแล้วก็พูดไปทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่จริงเนี่ยนะเรื่องไม่จริงรู้ว่าไม่จริงแล้วก็ตั้งใจพูดแล้วคนอื่นเนี่ยฟังเข้าใจเข้าใจอย่างที่ตัวเองพูดแต่นี้ ไม่ได้พูดด้วยลักษณะของมูสาอันนี้ไม่ใช่มูสาไม่เข้าองค์แห่งมูสาทีนี้การเปลื้องจรเข้ให้พ้นจากบาปใหญ่เพราะรีบทาการเหยียบหัวจรเข้แล้วยืนอยู่ที่ฝั่งโน้นทันทีเนี่ยนะอันนี้ก็ช่วยเหลือจระเข้ให้ไม่ต้องทำบาปขณะเดียวกันก็รักษาชีวิตของตนสามารถที่จะรักษาคำสัตว์หรือสัตจวาจาต่อไปได้ อันนี้ก็เป็นเน้นสัจจะบารมีเนี่ยนะเน้นสัจจะบารมีคือวจีสัจจะแต่ขณะเดียวกันท่านยังมีปัญญามีความเพียรและก็สุดท้ายคือมีจาระด้วย